ว่าเราทําตัวอย่างไรจะสูงจะต่ําก็อยู่ที่ว่าเราทําตัวอย่างไรนะไม่เกี่ยวกับว่าชาติกลุ่นนะไม่เกี่ยวกับวันณะนะอันนี้กฎแห่งกรรมเนี่ยมันก็มีหลักง่ายๆนะเป็นพื้นฐานเลยนะว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะ ดีในที่นี้ไม่ได้แปลว่าร่ารวยนะหรือว่ามีโชคมีลาบนะอันนี้มันไม่เกี่ยวกันนะก็มือนว่าปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงอะ่ะส่วนปลูกมะม่วงแล้วจะรวยหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งปลูกยางก็ได้ยางแต่ว่าจะรวยหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับราคาตลาดนะทำดี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 หรือว่าคนที่ไปเที่ยวช้อปปิ้งเที่ยวห้างก็ดูมีความสุขคนหนึ่งทำดีแต่เหนื่อยอีกคนนึงไม่ทำเลยนะแต่ว่าสบายเนี่ยนะอันนี้มันเป็นไปได้นะเวลาเวลาคนไปปลูกป่าทำดีแล้วเหนื่อยเนี่ยอย่าไปคิดว่าเขากาลังใช้กรรมนะจริงๆเขากาลังทำกรรมดี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 บางทีอ่านตื่นมาตั้งแต่ตีสี่ตีหก็อ่านหนังสือเวลาทำการบ้านนี่ก็ไม่ไปเที่ยวไหนก็ต้องเรียกว่าตรากตรำนะคับการเรียนส่วนเด็กที่เกียรเนี่ยสบายนะทำการบ้านก็ไม่ต้องทำไปลอกเขานะไอ้ความสบายแบบนี้ไม่ได้แปลว่าเกิดจากการทำดีนะ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 เจ้าของก็ใส่ชื่อตัวเองแทนส่งครูอย่างนี้สบายไหมสบายันได้คะแนนไหบางทีก็ได้คะแนนนะแต่ว่าอย่างนี้ไม่ใช่เป็นผลของการทำนะกรรมดีนะอันนี้มันเป็นกรรมชั่วแต่ว่ากรรมชั่วทีแรกเนี่ยทำแล้วสบายไม่เหมือนกับทำดีทีแรกนี่อาจจะลำบากอาจจะเหนื่อยนะแต่ว่าผลผลดีหรืออ่า อั น, นิสงเนี่ยมันจะตามมาภายหลังส่วนคนทํากรรมชั่วหรือว่าคนที่ทุจริตสบายทีแรกนะแต่ว่าลําบากภายหลังเวลาเห็นเขาสบายเนี่ยคนทำกรรมชั่วเฉยๆสบายนี่อยา่าไปคิดว่ากดแห่งกรรมไม่มีจริงนะหรือไปคิดว่าอ๋ที่เขาสบายนี่เพราะเขากํากลังอ่าเป็นเพราะเขาเคยทําดีในชาติที่แล้วนะ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 ด, ดูแลแม่มาสิบปีเนี่ก็เพราะว่าชาติที่แล้วนี่คงทําอะไรไม่ดีกับแม่เนี่ยนะชาตินี้ต้องมาใช้กรรมส่วนเพื่อนเนี่ยส่วนพี่นะที่เข้าสบายเนี่ยนะเป็นเพราะเขาทำกรรมดีในชาติที่แล้วชาตินี้เขาเลยสบายน้องสาวฟังแล้วก็งงเลยนะว่าทําไมเป็นอย่างงี้นะอาตมาฟังก็งงเหมือนกันนะว่า เ, าเดี๋ยวนี้เราเข้าใจเรื่องกรรมแบบนี้กันเชยวหรืนะ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 มีนะมีมีสา ม, มีที่ดูแลภรรยาที่ป่วยเป็นมะเร็งนะอุตส่าห์เช็ดเขี้ยวเช็ดอ่าเช็ดอ่นเช็ดขี้เช็ ด, ชด เ, ย ว, ดเดยวให้นะแล้วก็ทำหลายอย่างนะงานการก็ทำนะก็ยังต้องมาดูแลอ่าภรรยาเพื่อนบ้านก็บอกเนี่ยเขากำลังใช้กรรมนะเพราะว่าชาติที่แล้วคงทำไม่ดีกับภรรยาไว้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 เขาเลือกได้ว่าเขาจะกลับไปทำงานก็ได้นะแต่เขาไม่ไม่เลือกเขาเลือกที่จะดูแลแม่เป็นเวลา10ปีจนกระทั่งตอนนี้ก็50แล้วแต่เขาก็ยังทำอยูนะ่อย่างนี้เรียกว่าเขากำลังทำดีแต่ว่าเพื่อนนะซึ่งก็ไม่ใช่มีคนเดียวนะเดี๋ยวนี้ความคิดแบบ น, นี้ก็มีมากขึ้นว่าเวลาใคร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 ไม่ทําความกตัญญูรู้คุนแทนที่จะตำหนินะกับหมอเออเขาดีนะเขากําลัง น, นี่เป็นเพราะเขากําลังได้รับผลบุญจากกรรมที่กรรมดีที่ทําเอาไว้ในชาติที่แล้วอันนี้เรียกว่าเพียนละนะทําไมถึงมองกันแบบนั้นนะอันนี้เข้าใจเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ชาวพุทธไทยเรามองว่า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 เด็กที่เขาเหนื่อยเนี่ยเพราะเขาทํางานเขาเรียนหนักเนี่ยก็ไม่มีใครนะจะบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยกำลังใช้กรรมนะชาติที่แล้วเด็กคนนี้ทํากรรมไม่ดีไว้ชาตินี้เลยต้องต้องเรียนหนักนะส่วนอีกคนนึงนี่ชาติที่แล้วทํากรรมดีไวนะ้ชาตินี้เลยสบายไม่ค่อยไม่ต้องเหนื่อยการเรียนนะเราคงจะไม่พูดแบบนั้นนะ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 ส่วนน้องอ่ส่วนพี่นะที่สบายนะไม่ต้องมาดูแลแม่แทนที่จะมอวะ น, นี่เขากำลังละเลยหน้าที่นะไม่กระตันยูนะกับมอเออเาดีนะอันนี้เนี่ยมันเป็นสะท้อนถึงความเข้าใจที่ผิดผิดพลาดคลาดเคลื่อนนะของชาวพุทธอ่าซึ่งตอนนี้มีจำนวนมากนะคิดแบบนี้ได้ยินมาอ่า หลายกระแสนะอย่างที่เล่าเนี่ยคนที่เขาดูแลสดูแลภรรยาอย่างดีนะถึงแม่เหนื่อยยังไงก็ดูแลก็ไปว่าเขากำลังใช้กรรมเนะดีนี้เออะไรเนี่ยเวลาใครเหนื่อยใครยากเนี่ยนะหรือว่ามีความลำบากนี่เรามักจะหลายคนก็จะหมอเนี่ยเขากำลังใช้กรรมนะบางทีเจ้าตัวก็คิดแบบนั้นด้วยซ้ำนะ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 อย่างตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยชื่อห้เห็นเลยนะว่าเดี๋ยวนี้แยกไม่ออกละคนทําความดีก็หาว่าเขาใช้กรรมหรือว่ามีนยัยยะว่ากําลังถูกลงโทษนะจากกรรมไม่ดีในชาติที่แล้วส่วนใครที่ละเลยหน้าที่ไม่กระตันอยู่พ่อแม่นะก็กลับมอเป็นเรื่องดีเลยอันนี้มันเข้าข่ายมิจฉาทิฐิแล้วนะดเดี๋ยวนี้เราก็สบอะไรง่ายๆบางคน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 คนไทยเราเดือนนี้เนี่ยนะที่อ้างตัวเป็นชาวพุ้ชาวพุทธเนี่ยเดนนี้เป็นเชื่อเรื่องอดิตชาติมากนะคือถ้าใครประสบความทุกข์ยากเนี่ยนะก็ไปเหมาว่าเป็นเพราะกรรมในอดีตในธรรนองเดียวกันใครที่มีความสุขความสบายก็ไปเหมาาเป็นเพราะกรรมในอดีตเหมือนกัน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 หรือว่าพิการเพราะว่าไปขับรถชนต้นไม้เพราะเมาไมา่นะคนพิการแล้วบอกว่าเนี่ยโอ้ฉันทำกรรมไม่ดีในดอดีตชาติในชาตินี้ก็เลยมาใช้กรรมเนี่ยอันนี้เข้าใจผิดละใช้กรรมจริงนะแต่เป็นการใช้กรรมเพราะทําไม่ดีในปัจจุบันเช่นไม่มีศีลข้อ5เนี่ยนี่เราต้องสํารวจตัว เ, เองนะว่าที่เรานับถือพุทธศาสนาหรือมีความเชื่อเรื่องกรรมเนี่ยมัน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 เจอแบบนี้พ่อกำลังใช้กรรมนะหรือว่ากำลังเจอเจ้ากรรมในเวรแล้วต่อไปเมืองไทยจะเป็นยังไงนะก็กลายเป็นมิกฉาสินีหรือเป็นกลายเป็นเมืองนรกนะเพราะว่าคนไม่มีน้ำใจนะวนี่ตอนเดี๋ยวนี้ก็ขยายมาจนถึงขั้นว่าแม้กระทั่งพ่อแม่นี่การไปดูแลพ่อแม่เป็นการใช้กรรมอีกแบบหนึ่งนะ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 ทำดีกัเป็นของไม่ดีไปการทำดีการทำไม่ดีกลเป็นของดีไป